ท่านสาธารณผู้บริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักสำหรับวันนี้ก็มาพบ ก, กันในเรื่องของของโพริทัตตามเดิมมีความอยู่ว่าเมื่อท่านท่าทศรสได้มีคำสั่งให้มันดา น, น่าทั้งหลายแสดงาการต่างๆตามที่กล่าวแล้วในตอนตอน้นวันนี้ก็จะขอตอบไปเลยเพื่อไม่ไปการซ้ำซาก อันดาพวกนาคจะนากันเข้าไปในเมืองพาราณสีแล้วก็ปฏิบัติตามรับสั่งไม่เบียดเบียนมนุษย์นละคในใดเลยแต่ก็แพ่พังพานทั่วไปพวกสตรีกรเหนผลนาคแพ่พังพานก็พากันหายใจฟู้ฟ่าใจหายใจความไปตามๆกันก็พากันร้องวีดวาดสนุง เดือร้อนทั่วไปทั้งเมืองแล้วก็พากันไปประชุมร้องทุกทูลให้พระราชาพระยานทิดากับพยา น, นาคในตอนนี้ลูกหลานฟังไปแล้วอาจจะคิดว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นตามที่หลวงปู่เคยบอกว่า น, นิสสัมรักรนังสยโยก่อนที่จะทำอะไรนะใครครวนพิจรารณาซิก่อน ความจริงลูกของพระราชาทั้งสองพระองค์คือวเตา่าแต่ว่าคนทุกคนทําไมจึงไม่รู้จักว่าเต่านะ่ะมันเป็นสัตว์ที่มีพิษหรือไม่มีพิษจึงไปคิดประทุษร้ายก่เต่าอย่างนั้นที่ว่าการทํางานทุกอย่างขาดการพินิษพิจารณาขาดการไข้ครวญจึงได้เป็นอย่างนั้นความจริงเต่าเพียงแค่ไ ป, ปล่อยแล้วก็หมดเรื่องกันไป ที่มันเข้าไปอยู่ในบ่อเพราะมันไม่รู้จะไปทางไหนนี่ระหักว่าเราจะคิดว่าคนทุกคนที่เราเห็นว่าเขามีรูปร่างผอมกร่องกระแร่งหน้าตาเซ่อซาคิดว่าคนนี้จะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยแล้วก็หาทางกล้งแกล้งอย่าลืมว่าพาสุโบรลานที่กล่าวว่าถ้าไม้ล้มและจงข้าม ถ้าหากว่าคนล้มจงอย่าข้ามเป็นานว่อันว่าจงอย่าประมาทในบุคคลที่คิดว่าเขาจะไม่เป็นเวรเป็นภัยการกระทําทุกอย่างในอันดับแรกเราทําอย่างเป็นมิตรได้ก่อนแต่ว่าถ้าเหลือวิสัยจริงๆนั่นคนคนก็จัด ก, การไปตามหน้าที่แต่วิธีที่จะจัด ก, ก, การก็คุณจะใช้ปัญญานี่เพราะเจ้าเต่ามันเจ็ดใหญ่ ที่ทำก็มันอย่างนั้นคิดจะฆ่ามันให้ตายไปนี่หาทางกลัน่นแกล้งให้เกิดความเดือดร้อนเรื่องนี้เขาบรรดาลูกหลานที่รักฟังแล้วก็ยังคิดคิดแล้วก็พิจรารณาใช้ปัญญาท่องแท้ทั้งกิริยาที่เราควรจะทําและการที่เราจะควรจะทํากับใครว่าควรจะทําสถานใดต้องใช้ปัญญาพิจารณาก่อน ไม่ใช่แต่ว่าเพียงประชุมที่ประชุมลงมติว่ายังไงก็ เ, เอาอย่างนั้นดูคนที่เข้ามาประชุมเสก่อนว่าเป็นคนดีแล้วเป็นคนเลวดูเจตนาเป็นสำคัญถ้าต่อไปนี้ก็คุยกันไปก่อนส่วนบรรดานากมานพทั้งสี่ที่เป็นโทษนั้นก็ได้ตรงไปยังพระเจชวังขมวิเจ้าพาราณสีนี่ก็ไม่กัน บรรดาคนที่เราสั่งไปใช้เกี่ยวกับกิจการนะ่ะดูนาสี่ตนเลยความจริงพระราชาทางพระรานศีพูดไปนิดหน่อยว่าคนกับงูจะเป็นผัวเป็นเมียกันได้ยังไงไม่นคนนั้นเหล่าคนะระับกูลแต่เจา้าคนนี้ก็ไปต่อเติมส่งสเสริมในรืการรับรยายงานของคนต้องใช้ปัญญาพิจารณาด้วย รับฟังแล้วก็ต้องสอบสวนไปสวนไม่ใช่รับฟังแล้วก็เชื่ออย่างเท่าทศรสในเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าจะบกพร่องในสติ ส, สัพพัญญะและการพิจารณาอยู่มากมันก็ไม่ดีเหมือนกันรวมความไว้จุดนี้เราพบจุดที่ไม่ดีจงอย่าเอาไว้เป็นครูแต่ว่าจําไว้เป็นเครื่องละเมื่อทูตแห่งสีตรงไปพระเจวังขา้าพรเจ้าพารานสี แล้วก็ตรงก็ห้องที่บรรทมของเข้าเข้าในห้องพระบรรทมแผ่พังพานทํากริยาเหมือนจะฉกประสียงข้าพระเจ้าพารานสีซิ่งขนาดนั่งกำลังยังบรรทมอยู่เมื่อพระองค์ได้สดับเสียงร่ําร้องทุกขมัญรดาชาวนาครและพระราชนและประชายา ซัำ ด, ดังได้ยินเสียงขูคคำรามของนาคมานบอีกทั้งสี่นั้นด้วยียงได้ตัดสินม่าไทยขึ้นว่าเรายอมยกนางสมุทรให้ชายแก่เท้าทศรถแล้วตรัดดังนี้สี่ครั้งเมื่อูนาททั้งหลายได้ฟังดังนั้นก็พากันถอยห่างออกจากพระนครไปประมาณร้อยเซน แล้วยังได้ดินมิตรเมืองขึ้นเมืองหนึ่งงามเดรการปารปรนบนเน่งเทพนครเพื่อส่งเครื่องบรรณาการไปถวายพระเจ้าพารานสีเป็นการเตือนให้ส่งพระราชินดดีา ม, มาไวๆพระเจ้าพารานสีรับบรรณาการและตัดว่าก็ขอให้ท่านจงกลับไปก่อนเราจะมอบราชนเราจ ะ, าจะมอบ ราชธิดาให้อมัดพาไปส่งมาขันวันดาผูาา้นาพากับไปแล้วจึได้จัดเรียกราชธิดาขึ้นมาบนพระศาชั้นบนที่ประหัตให้ดูทางหน้าต่างพร้องกัะตัดว่าลูกรักจงดูนคร น, นั้นเจ้าจะได้เป็นมเหสีของพระราชาพวกครานครนั้นเมืองนั้นก็อยู่ไม่ไกลนัก เมื่อคิดถึงกันก็พอจะไปหามาสู่กันได้เมื่อทรงจัดให้พระราชินีไดาเข้าประเทยดีแล้วยังได้ทรงมอบให้มัดพาไปส่งซึ่งได้รับการต้อนรับอย่สงสมเกียติได้รับพระราชทานรางวัลกลับมาเป็นมากความจริงเกิดเป็นผู้หญิงลูกของพระราชานี่ก็ลาบากจะเลือกคนลักษ์ คนเรือคนรักอย่างคนธรรมดาเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องของการบ้านการเมืองในลูกหลานที่รักมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นอันว่านาห น, น้าครวีการทั้งหลายก็แปลงเป็นมนุษย์เหมือนเป็นนางบำเรอแวดล้อมพระราชธิดาอยู่เพื่อนมากฝ่ายนางสมุทัยชาพอบรรทมลงเหลือท่าที่นอนเอเป็นทิพย์ถูกทิพย์เส้นไผเข้า ก็หลับทันทีเท้าทศรถทีินิพาอุ้มนางหายไปพร้อมกับหน้ากบวริษัตทั้งปวงไปปรายกฎยันหน้ากรบิภพทันทีเหมือนกันพอพระนาสมดติชาตื่นขึ้นเห็นหน้ากระบิภพซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของทิพย์มีประสาทประดับประดาวิ่ได้แก้แหวนเงินทองพร้อมทั้งสวนน้ากสาร มีทั้งสวนมีทั้งสวนแล้วก็มีทั้งสะท่านบอกว่าไม่งามเหมือนเท พ, พนครอยู่ในตัดถามเหล่านางสุรางนางบำเรอว่าเมืองนี้เป็นเมืองของใครนางบำเรอก็อหญิงรับใช้ทั้งหลายแล้วนั่นยิงกราบทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าเมือง น, นี้เป็นพระเมืองพระราชาพระราชสวามีของพระแม่เจ้าพระยาค่ะ สตรีที่มีบุญน้อยหาได้สมบัติเชินี้ไม่พระแม่เจ้าเป็นผู้มีบุญมากที่สุดแล้วบรรดานางสมนมกำนันทหลายตอบฝ่ายเท่าทสรสในออกประกาศทวนหนากว่าพิภพว่าอย่าให้นาคตนใดแสดงเพศเป็น ง, งูให้ปรากฏไปยังขาดดังนั้นนาคกบิภพนาคทั้งหลายที่ในกลายสแสดงตน คือไม่มีใครกล้าจะแสดงตนเป็นงูให้ปรากฏนาสุติชาราชเทวีก็ทรงร่วมสนิหากับท้าทศรถอยู่ในนาค ก, ก็ไปพบด้ความอภิรม์สมณตลอดมานี่ลูกหลานทั้งหลายก็ยังสงสัยว่านาคนี่เป็นคนได้ยังไงด้วยความจริงนาคจะแบ่งเป็นสองประเภท นาคที่เป็นสัตว์เนรฉานจิงจริงนะประเภทหนึ่งนาคที่มีสมรรถภาพคือมีความดีคล้ายเทวดานี่ประเภทหนึ่งตัวอย่างท่านเอกาปัตนาคราชสมัยก่อนท่านบวชเป็นพระจำบรรษาอายุถึงสองหมื่นปี เวลาบวชนด้สองหมื่น 20, ปีคนสมัยนั้นมีอายุแปดหมื่นปีได้ทำความดีในะไระศาสนาไว้มากแต่เบ่าไม่มได้เป็นพระอริยเจ้าเจเริงกรรมฐ า, านอยู่ในปา่าใกล้ชายทะเลในภูเขาวันหนึ่งเรือซ้ำเภาแล่นมาช้าชท่านอาบน้ำอยู่ก็โผล่ไปเกาะตะไครน้ำแต่ใครน้ำหลุดปรากฏว่าท่านเป็นอมตรปาจิตตี เพราะอาศัยความดีที่เจริญเจริญสมณธรรมตายแล้วควรจะตายเป็นเทวดาหรือว่าเป็นพรหมแต่ถ้า ว, ว่าไม่ได้สแสดงอวบกรรมนี้บันดาลให้ไปเกิดเป็นพยานนาคแต่ว่ามีที่ประสมบัติเหมือนเทวดาสามารถจะแปลงเป็นคนกันได้เช่นเดียวกับท้าทุสรดเรื่องราวนี้มีปรากฏในพระพุทธศาสนา แต่ ว, ว่าลูกหลานมีความสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไงก็จงพยายามศึกษาความรู้ในพระศาสนาคือว่าจงอย่าศึกษ า, าเฉพาะหนังสือใช้วิธีปฏิบัติให้ได้มโนโมยิทธิคือมีริษฐางใจสามารถจะท่องเที่ยวไปในพบต่างๆได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปพรหมก็ได้ไปนิพพานก็ได้ไปนรกก็ได้ไป น่าับพพบกันได้อย่างนี้เราจะเห็นชัดเพราะว่าความรู้ที่องค์สมเด็จประสสวัริโสภาคให้ไว้ไม่ใช่สอนประเภทสงเด็จแต่ว่าทุกคนธรรมโนวิธิได้ก็ไม่ต้องใช้เครื่องวิทยาศาสตร์พิสูจน์ซับใต้ดินอะไรมันมีอยู่ที่ไหนเราก็จะเห็นหมด ต้องการเห็นคนทั้งโลกทำอะไรกันอยู่เราก็สามารถทำได้ใครทำดีทำชั่วอยู่ที่ไหนเราอยากจะรู้เมื่อไรเราก็ทำได้ใครเขาดา่าเขาชงกันไว้เรากี่หลายร้อยปีมาแล้วก็ตามต้องการจะรู้เราก็รู้ได้อันนี้เป็นความรู้ทางพระพุทธศาสนาถ้าลูหลานสงสัยก็ควรจะศึกษา แต่ว่อย่าลืมว่าความรู้ทางพุทธศาสนาต้องใช้กำลังใจใหญ่กว่าเรื่องอื่นฉันั้นทางวิทยาศึกษา์ทางนี้จงอย่าใช้วัตถุและจงอย่าคิดว่าระบบพระพุทธศาสนาเหมือนกับวิทยาศาสตร์เป็นได้เพียงแค่เปรียบเทียบเทียบเคียงเทียบเคียงกันได้เท่านั้นวิทยาศาสตร์เป็นได้กับวัตถุ พระพุทธศาสนาเป็นด้านนามธรรมนามธรรมถ้าทุกคนมีวิทยาอุสาหาเา์เอาจริงเอาจังทุกคนทำได้จริงต่อไปขบรดาลูกหลานชายหญิงฟังกันต่อไปต่อมาเมื่อน า, นาสมุให้ชามีพระราชาโอรสกับท้าวทศรสสี่พระองค์คือท่านสุทัศนะหนึ่ง ขท่านทัตตะหนึ่งท่านสุโพคะหนึ่งท่านอริ t าหนึ่ ง, อ, งอยู่มาวันหนึ่งปรร น, นาน่กเล็กๆบริวารกะซิบบอกอริ t าว่ามารดาของเจ้านะไม่ใช่นนการอกอริ tha กุมารจึงทดลองดูว่าวันหนึ่งขณะกินนม อ, อยู่ก็นิรมิตกายให้เป็นงูเอาหางน่ าหางเข้าเปครูดถูพระบาทของพระมารดานานสมุทรชยัยอริษฐะเป็น ง, งูก็ตกใจร้องกรีดปัดตกลงไปกับพื้นเมื่อเอินเล็บค้นนางประจิตเอาตาของอธิษฐาแตกโลหิตไหลถ้าทสรสได้ยินเสียงยิ้ถามว่าร้องทำไมเพราะรู้ว่าอาริษฐาทำนังนั้นก็โขคัมราม แล้วก็สั่งเอาไปประหารชีวิตเสียทันทีพระนาสมุติชายยังคงรักบุตรของตนอยู่จึงทูลขอโทษว่าข้าแต่โทนกระบม่อมแก้วตาบุตรขอมอมชันปทุคือแตกไปแล้วก็ขอได้โปรดประทานอภัยโทษได้เถิด <c oughs> ถ้าโทศรสจึงยอมยกโทษให้นาง <c oughs> นางสมุติธาเทวีเจ้งได้ทราบว่า ทราบนัตตะวันนั้นเป็นตนมาว่าในที่ตนอยู่ที่นี้เป็นหน้าคบีพกแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมีลูกทั้งสี่คนแล้วก็เลิกกลัวกันได้แล้วต่อม า, าท้าวทศรถได้แบ่งสมบัติให้แก่พร ะ, ะออราชโอรสทั้งสี่เท่าเท่ากันโดยต่างคนตามปกครองอยู่คนละเขต บทตทั้งสามนอกจากนั้นท่านทัตตะย่อมพากันมาเฝ้าพระราชวิดาพระราชมารดาเดือนละครั้งส่วนทัตตะมาเยี่ยมทุกครึ่งเดือนคนอื่นเขามาเดือนละหนแต่ว่าท่านทัตตะเนี่ยมาครึ่งเดือนมาหนึ่งครั้งทั้งได้ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เนียงเลียงแล้วก็ยังขึ้นไปเฝ้าท้าววิรุณปักมหาราช พระราชาสมัเสมอปัญหาที่เกิดขึ้นในสำนักของท้าววิรุณปักมหาราชที่เกิดขึ้นนั้นก็ได้ท่านทัตตะช่วยแก้ไขด้วยนะเพราะว่ามีความฉลาดมีความสามารถเป็นพิเศษสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดีเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างเทวดาซึ่งไม่มีใครแก้ไขได้ ท่านทัตตะกุมายก็ได้ถูกเชิญให้ขึ้นไปนั่งบันลังช่วยแก้ปัญหานั้นในทีสุดเท่าสากะเทว ร, ราชก็คือพระอินเห็นว่านันทัตตะเป็นผู้มีความพรีชาสามารถยอดเยี่ยมจึงได้พระราชทานนามให้ใหม่ถือว่าให้เป็นเกียรตินกว่าภพริทัต แปล ว, ว่าท่านทัตตะผู้เรืองปัญญาเห็น ไ, ไหมผู้ริทั ต, ตนี่ความจริงเดิมที่เดียชื่อว่าทัตตะไปอินเข้าความจริงถ้าหายเข้าไปอินนี่มีอยู่สี่กองทัพกองทัพที่หนึ่งคือท้าทศรสกองทัพที่สองคือทวีรุนหกกองทัพที่สามเท่ารุนปัก กองทัพที่สี่คือเวสวรรณถ้าสงสัยเรื่องนี้ก็ไม่ตอบแล้วก็มีบางท่านก็าบอกเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องจริงขอบรรดาลูกหลานชายและหญิงจงใช้กำลังปัญญาของพวกเธอและจงฝึกฝนความรู้ในด้านศา ส, สนายายใช้แต่อ่านตำรายอย่างเดียว ดูตัวอย่างนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ในเขาว่าได้อ่านตำราอย่างเดียวเขาวิสูทธ์เขาทดลองเขาฝึกหัดเขาก็ทํากันทําจริงทําจรงด้วยการค้นคว้าจริงๆผลที่สุดสิ่งที่เขาต้องการก็สําเร็จผลอย่างโลกแฝงจันทร์เป็นโลกอยู่ที่ไกลแสงไกลนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถไปได้ คืนวิทยุือภาพโทรทัศน์ที่ส่งไปมันคิดพิจรนารณาแล้วดูว่าจะเกินวิสัยที่เราจะทำได้เขาก็ทำได้แล้วเขาไม่ใช่นั่งอ่านตำราแล้วก็มา น, นั่งวิิจัยความรู้ในพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันรวงปูกขอยืนยันว่าเวลานี้ที่บันทึกอยู่นี่เป็นวันที่ยี่สิบสี่ พฤศจิกายน2521คนที่ได้ปริญญาทางโลกจากมหาวิทยาลัยต่างๆพากันฝึกความรู้ทางพระพุทธศาสนาสามารถยกจิตหรือยกกายภายในไปท่องเที่ยวในภพต่างๆได้เยอะแยะแล้ว มีคนประเภทนี้เข้ า, เาดีกันจริงๆเพื่อรู้ทั้งทางโลกแล้วก็รู้ทั้งทางธรรมมันก็หมดความสงสัยถ้าเราจะเป็นคนดีจริงๆเขาต้องทําอย่างนี้เปลี่ยนไปเพียงเขาได้ยินเขาพูดว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ทําได้แล้วก็มา น, นั่งวินิจฉัยว่าเราทํำมันได้อย่างนี้มันโกหกอย่างนี้เขาเรียกันว่าคนเลว ค้นหาสาระไม่ได้ถ้าภาษาโบราณเขาเลือกนคนประเภทเ ย, ยี่ยบพี่ไก่ไม่พอคือไม่เอาอะไรดีขอบรรดารรลูกหลานที่รักขต้องปูกจงอย่าเป็นคนอย่างคนประเภทนี้เป็นคนดีที่เอาจริงมีกําลังใจเข้มแข็งเราสามารถจะพิสุจนิกรณีต่างๆที่เราจะสงสัยได้มันไม่เกินวิสัยของคนถ้าเราเป็นคน เป็นอันว่าเมื่อท่านพู้ิตะพู้ิทัตตะเข้าไปเฝ้าเท้าสกะติวราธคือพระอินแรงเห็นเวทยิเวทยิมันเทวิ ม, นวมนันบระสาทธนะเวทยันตับริสัทงดงามเพ่งพร้อมเลยนางเทพ อ, อักษรเป็นที่รื่นรมใจอย่างยิ่งก็งมีความรักใคร่ในทิวโลก คือว่าการที่จะเป็นนาคมีกบมีเขียดเป็นอาหารเช่นตัวเราขนาดนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเช่นเลยเราจะกลับลงไปยังนาคขาวิพภพแล้วตั้งใจรักษาอมโบสดก็จะเป็นหุนทางให้มาเกิดในเทวโลกนี้ได้ เพียงกับลุมมาถึงหน้ากรบิภพแล้วจึงขับไปทูลพระเจนกตกชนีขอลาไปรักษาพระองคบสุพระเจนโตกชนณีก็ตอบอนุญาตแต่ขออย่าไปรักษาภายนอกจงรักษายอย่ในวิมานว่างปเปล่าเสแห่งหนึ่งในหน้าวกวะิภพนี้รด้วยนัก ออกไปนอกวิภพแล้วมักจะมีภัยเกิดขึ้นได้มากท่านภูริทักกุ ม, มาลก็รับคำแล้วก็ไปรักษาวโวสตอยู่ในวิมานว่างเปล่าในพระจุติยานฝ่ายนานาขวีกาทั้งหลายก็พากันถือเครื่องดนตรีต่างๆไปห้อมล้อมขับกล่องอยู่คับกลม อ, อยู่เป็นการเอาใจ ท่านภูริไทยกุมารคิดว่าเราต้องการรักษาโโบสดในสถานที่ทีน่นี้ก็คงทำไม่ได้ดีถึงที่สดุดเราจะรักษาโโบสดในเมืองมนุษย์คิดดังนั้นแล้วก็จึงไม่ได้ลาพระพราชชนกชนณีคือไม่ได้ลาพ่อไม่ได้ลาแม่เพราะกลัวว่าจะห้ามปรามเพียงแต่เรียกชา ย, ยาเข้ามาสั่งว่า เจ้าจงไปรักษาโบสดเพราะเราจะไปรักษาโบสดในมนุษย์โลกจะขดขนขโนดกายนอนบรรจอมปลวกใกล้ต้นไทรใหญ่ริมแม่น้ำยุบนาเมื่อเรารักษาตลอดคืนแล้วเวลาล่วงขึ้นได้รุนพวกเจ้าจงเป็นเวงกันนะเวงลาสิบคน ไ้รับเรามาย่างหน้าขบพีพบนี้นี่เป็นคําสั่งนี่อย่าลืมนะต้องดูท่านโพดีทัตท่านโพดีทัตได้เห็นสมบัติของพระอินทร์และท่านก็อยากยากได้สมบัติอย่างนั้นบ้างท่านก็ทําอย่างพระอินทร์เพราะว่าคนที่จะเป็นเทวดาได้ต้องรักษาศีลนละขอบรรดาลูกหลานทั้งหลายจงอย่าอ้างว่าสังคมไม่นิยมศีล ถ้าราศสษาศสิกแล้วก็สังคมจะบกพร่องอย่าเป็นคนไม่กว้างขวางในสังคมอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ของคนเลวไม่ว่าอะไรทั้งหมดทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมเราต้องพิสูจน์ให้พบความเป็นจริงขอลูกหลานชายหญิงฟังกันต่อไปเมื่อท่านภูริทั์สั่งแล้วก็ตรงไปสู่ที่หมาย เมื่อกระหนดขดกายเข้าบนเป็นนอนอยู่เป็นจอมปลวกอาธิฐานุโบสถสินเรียกร้อบพระเองค์สี่ว่าคนใดต้องการหนังก็ดีต้องการเอ็นก็ดีต้องการกระดูกก็ดีต้องการเลื่อยก็ดีจงนํามาไปตามต้องการเถิด ความจริงท่านรักษาองคโบส์ทึ่มีองค์แปดระการแต่ถ้าว่าการนิฐานของท่านอย่างนี้เป็นการสละชีวิตเพื่อประโยชน์กับคนอื่นโดยไม่เสียดายชีวิตนี่บางเอิญท่านปรารถนาพุทธภูมิท่านพูทธิทัตต์นี่ก็คือพระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าพระสมณะโคดมเมื่อบำเพ็ญบารมีในขั้นปรมัตถบารมี ถ้ากำลังใจอย่างนี้ของทุกคนมีอยู่ถ้าเป็นสาวกปรารถนาเป็นสาวกทุกคนก็เปลี่ยนพระอาหารหันต์หมดขอบรรดาลูกหลานที่รักที่ปฏิบัติในสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตรงทํากําลังใจได้อย่างนี้ทุกคนจะเข้าถึงอนาตผลในชาตินี้และก็ส่งนิรภกายให้เล็กเท่ากับงอนไถก็เจียนนาคไมใหญ่มาก นอนนักสาวมโบสดอยู่พอรุ่งอรุณขึ้นนาง น, นาคฤีกาทั้งหลายสิบนางก็พากันมาปรนิบัติและพาเบญนาับิีพบท่านภูดิทักกุมารนักสาวมโบสดวิธีนี้โยช้านานเวลาเหลืออีกสองนาทีสเสร็จเขาว่าไวนิดหนึง่งในครั้งนั้นยังมีพรามเนศศาสตร์ผู้หนึ่ง บ้านอยู่ใกล้ประตูเมืองพาดานสีออกป่าไปกับลูกชายชื่อโสมททั์เพื่อจะล่าสัตว์จะหาเนื้อมาขายเลี้ยงชีพวันหนึ่งท่านบอกว่าพรามกับบุตรออกป่าไปได้แั้ว่าไปไปไม่ได้อะไรมันเลยเจียงเบิกสายกับบุตรจรงเบึกษากับลูกชายว่าโสมัททัต ถ้าเรากลับไปมือเปล่าแม่ของเจ้าก็จะโกรธเราเราจะต้องหาสัตว์สักตัวหนึ่งปิดมือมาให้ได้ประสายกันแล้วก็บ่ายหน้าตรงไปที่จอมปลวกที่ท่านผูริทัศนอนอยู่พบรอยเท้าเนื้อต่างๆที่ลงไปดื่มน้ำที่เหมือนน้ำยุบนาท่านทัน เนศาสตร์จันิมบอกว่าโบบาลุชัยว่ า, บวาพบทางเนื้อแล้วเจ้าจงถอยออกไปเราจะยิงเนื้อที่มาดื่มน้ำที่นี่แล้วก็บอกให้หยิบลูกธ น, นูไปยืนแฝงคนไม้แอบคนไม้อยู่ต้นหนึ่งคอยดูจนถึงเวลาเย็นก็มีเนื้อตัวหนึ่งจะมาดื่มน้ำกินรามเนศศาสตร์ได้ยินก็ถูก เนื้อตัวนั้นก็ยิงเนื้อตัวนั้นได้ลูกศรเป็นอันว่าถ้าไม่เนื้อตกใจวิ่งไปและล้มลงบินดากระโบดบก็ไล่ตามไปทันทีจึงได้แล่เนื้อใส่หาบเดินออกจากป่าก็พอดีพระอาทิตตกดินจึงเวศากันว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ควรจะไป เราก็ควรจะพักอยู่ที่นี่ก่อนเถิดแล้วก็เนื้อวางไว้พากันขึ้นไปนอนอยู่บนคบต้นไม้บรรดาลูกหลานที่รักก็เป็นเวลาพอดีมองโนดีโนดูนีกาหมดเวลาเสแล้ววันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ีพัฒนามงคลสมบูรณ์บุญผลจงมีแต่ท่านเจ้าหน้าที่สถานีที่เมตตาทุกคน และจงมีแดบรรดาท่านพุทธศา ส, สนิ ก, กชนนบรนดาลูกหลานที่รักทุกท่านสวัสดี